เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านตั้งหลายมีเวลาว่างจากการเิกกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาสร้างความสุขโดยการเสริมความงามของชีวิตจิตใจด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ว่าชีวิตของพวกเรานั้นสวยงามที่ใจสวยงามที่คุณธรรมคุณสมบัติ ที่ดีงามไม่ได้สวยงามที่ร่างกายไม่ได้สวยงามด้วยเครื่องสำอางไม่ได้สวยงามด้วยเสื้อผ้าอภรณ์ที่วิจิตพิสดารสดใสงดงามแต่ความสวยงามที่แท้จริงสวยงามที่ใจสวยงามที่คุณสมบัติที่ประทับใจแก่ผู้ได้มาสัมผัส รับรู้คุณสมบัติที่จะทำให้ชีวิตของพวกเรานั้นเป็นชีวิตที่น่ารักน่าคบค้าสมาคมน่าอยู่ใกล้ชิดก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งคือจาคะความเสียสละสองสัจจะความซื่อสัตย์สุจริตสามธรรมะ ความอดกลั้นและสีขันติความอดทนทู้ใดถ้ามีคุณธรรมคุณสมบัติทั้งสี่ข้อนี้คือมีความเสียสละมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดกลั้นมีความอดทนจะสามารถอยู่กับทุกคนทุกแห่งทุกคนได้อย่าง น่ารักน่าคบค้าสมาคมเพราะนี่คือความสวยงามของจิตใจของพวกเราที่เป็นความสวยงามที่แท้จริงต่างกับความสวยงามทางร่างกายถ้าร่างกายเสริมสวยด้วยเครื่องสำางด้วยการทําเผ้าทําผมด้วยน้ำหอมน้ำมัน โดยเสื้อผ้าอภรรท์ที่สวยที่งามแต่ถ้าใจขาดคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้อยากจะคบค้าสมาคมอยากจะให้เป็นเพื่อนด้วยเพราะจะเป็นคนที่ตรงกันข้ามกับคนที่สวยงาม คือแทนที่จะมีการเสียสละก็จะเป็นแต่ความเห็นแก่ตัวแทนที่จะมีสัจจะมีความซื่อสัตย์สุจริตก็จะเป็นคนคดคนโกงคนหลอกคนลวงแทนที่จะมีความอดกลั้นก็จะเป็นคนที่บน่นที่ทำอะไรระบายอารมณ์ต่างๆออกมา เวลามีความโกรธก็ระบายออกมาเวลามีความโลภ ก, ก็ระบายออกมาด้วยวาจาและการกระทำที่สร้างความลำคางใจและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเวลาที่มีความทุกข์ยากลาบากก็ไม่มีขันติความอดทนอดที่จะ ทนกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จะเป็นคนที่น่าเบื่อน่ารำคาญจะมีแต่สร้างปัญหาสร้างเรื่องวุ่นวายต่างๆให้แก่ผู้อื่นนั่นเองคนที่ไม่มีจาระะความเสียสละไม่มีสัจจะความเสื่อสัจจริตไม่มีธรมรมงความอด รานนัะไม่มีขันติความอดทนจะไม่มีผู้ใดอยากจะอยู่ด้วยแต่ผู้ที่มีจา่ะมีความเสียสละมีสัจจะความซื่อสัตย์สุดจริตมีธรรมะความอดกลั้นมีขันติความอดทนจะเป็นคนที่น่ารักน่าคบค้าสมาคม หน้าอยู่ร่วมกันเวลาที่เราจะหาคู่ครองเราอย่าไปดูที่รูปร่างหน้าตาเพียงอย่างเดียวอย่าไปดูที่เงินทองเพียงอย่างเดียวเพราะว่ารูปร่างหน้าตาและเงินทองนี้จะไม่ให้ความสุขกับเราถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่มีความสวยงามทางจิตใจถ้าอยู่กับคนที่ ไม่มีความเสียสละมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่มีความซื่อสัตย์จริตมีแต่ความหลอกลวงมีแต่ความทุจริตอยู่กับคนที่ไม่มีความอดทนไม่มีความอดกลั้นจะอยู่กันอย่างลำบากถึงแม้ว่าจะมีเงินมีทองมีเสื้อผ้าอ่อนสวยงาม มีรูปร่างหน้าตาที่ดีก็ตามรับรองได้ว่าจะอยู่กันอย่างมีความทุกข์ไม่ใช่อยู่กันอย่างมีความสุขและการที่เราจะให้ผู้อื่นเคารพเราชอบเราเราก็ต้องมีจาระฆความเสียสละมีสัจจะความซื่อสัตย์สุจริตมีขันติความอดทนมีธรรมะความอดกลั้นดังนั้นเรา ควรที่จะมาเสริมความงามด้วยเครื่องสำอางของใจคือคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ดีกว่าไปซื้อเครื่องสำอางแล้วก็มาแต่งหน้าทาปากซึ่งเป็นความสวยปลอมเพราะว่าเวลาเห็นใหม่ๆก็น่าดูแต่พอเห็นคุณสมบัติภายในใจแล้วก็จะกลายเป็นคนน่าเกลียดไปได้ ในทางตรงกันข้างบุคคลที่ไม่ได้เสริมความสวยงามทางร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวแบบเรียบง่ายไม่แต่งหน้าทาปากไม่ทำเเผ้าทำผมหวีผมพอให้ดูเรียบร้อยก็พอหน้าตาก็ล้างให้สะอาดก็พอไม่ต้องทาแป้งทาปากทาคิ้วทาอะไรต่างๆแต่มี ความเสียสละมีความซื่อสัตสยส์จริตมีความอดกลั้นมีความอดทนรับรองได้ว่าจะเป็นที่รับของคนที่ได้รู้จักได้พบปะจึงขอให้พวกเรามาสร้างความสวยงามด้วยการไปรับเครื่องสำอางที่พระพทเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราสี่ประการนี้ คือรับจากะความเสียสละกันการเสียสละแปลว่าอะไรก็ให้เราเสียสละประโยชน์และความสุขที่เรามีอยู่แบ่งให้ผู้อื่นบ้างเวลาเห็นผู้ที่เขาขาดความสุขขาดประโยชน์เช่นขาดปัจจัยสีขาดเสื้อผ้าขาดอาหารขาดยารักษาโรค ขาดที่อยู่อาศัยเราพอที่จะแบ่งปันประโยชน์ส่วนนี้ให้เขาไปได้เราก็ควรจะให้เขาบ้างเพื่อที่จะทำให้เขานั้นมีความสุขแล้วรับรองได้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราเขาจะรักเราเขาจะชอบเรานี่คือประโยชน์สุขที่เราควรที่จะเสียสละให้แก่ผู้อื่น เพราะว่าการที่มีอะไรมากๆเกินความจำเป็นก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดแต่การที่เราเอาสิ่งของที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี้เอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอันนี้จะเพิ่มความสุขให้แก่ใจของเราทำให้เรามีความสุขใจมากขึ้นอย่างวันทีญาติโยมก็มา เอาข้าวเอาของต่างๆมาแบ่งปันมาถวายให้กับพระอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจาคะเป็นการเสียสละเสียสละประโยชน์ส่วนของตนให้แก่ผู้อื่นเวลาได้ทำแล้วใจมีความรู้สึกมีความสุขมากขึ้นทั้งๆ ท, ท, ที่สูญเสียทรัพสมบัติสูญเสียข้าวของเงินทองไป แต่แทนที่จะมีความทุกข์กับมีความสุขเพราะมีความยินดีที่จะเสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำเพราะทำแล้วจะทําให้เรามีความสุขทำแล้วจะทําให้เราเป็นคนน่ารักจะไม่มีใครรังเกียจคนที่เสียสละ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่เสียสละแต่กลับเป็นคนเห็นแก่ตัวมักคิดแต่จะเอาประโยชน์ใส่ตนเพียงอย่างเดียวไม่มีใครเขาชอบคนแบบนี้กันทำอะไรก็คิดแต่เรื่องของตัวเองว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าเสียแล้วก็ขอถอยหลังทันที ถ้าได้แล้วก็จะวิ่งเข้าไปทันทีบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลที่ไม่สวยงามทางจิตใจเพราะไม่มีความเสียสละแต่มีความเห็นแก่ตัวข้อที่สองก็คือคือความซื่อสัตย์สุดจริญความซื่อสัตย์สุดจริญก็คือความวา ม, วา ม, มีศีลนิ่งเป็นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดและไม่เสพสุรายาเมาคนที่มีสีนี้เป็นคนที่สวยงามที่แท้จริงพวกเรากราบพระพุทธเจ้ารับพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพราะว่าพราะองค์มีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาทั้งเราไม่เราเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นหน้าตาที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า หรือของพระ อ, อรหันตสาวกทั้งหลายแต่เรากับรักท่านคารถท่านเพราะท่านเป็นคนชื่อสัจสนเจริญนั่นเองท่านเป็นคนเสียสละท่านมีสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษคือพระธรรมอันประเสริฐท่านไม่หวงเก็บเอาไว้เป็นสมบัติของตนแต่นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ได้รับความสุข ได้รับการหลุดพ้นจากความทุก์ทั้งหลาย mm hmm. การกระทําแบบนี้เนี่ยแหะจึงทําให้พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาวกทั้งหลาย mm hmm. เป็นที่รักเป็นที่เคารพของของพวกเราทั้งหลายเ mm hmm. พราะท่านเสียสละท่านเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สจริง เวลาเราอยู่ใกล้คนที่เสียสละคนที่มีศีลมีความซื่อสัตย์สุจริตนี้เราจะอยู่อย่างสบายใจเราจะไม่มีความหวาดระแวงหวาดกลัวเหมือนกับเราอยู่ใกล้คนที่ไม่มีศีลถ้าเราต้องจ้างคนใช้มาทำงานที่บ้านถ้าเราให้เราเลือกระหว่างคนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีล เราจะเลือกคนไหนกันแนาเราจะเลือกเอาคนที่ชอบลักขโมยชอบโกหกหลอกลวงชอบประพฤติผิดประเวณีชอบเดือดรายาเมาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเราจะเลือกเอาคนที่ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสรายาเมาถ้าเราเอามาเปรียบเทียบ เราก็จะเห็นคุณค่าของคนที่มีศีลมีความซื่อสัตย์สุจริตเพราะว่าเราจะมีความมั่นใจมีความสบายใจว่าอยู่กับเขาแล้วเราจะปลอดภัยเขาจะไม่ทำร้ายเราอย่างแน่นอนถ้าเราอยากจะให้คนอื่นก็มีความรู้สึกแบบนี้กับเราเราก็ต้องเป็นคนที่มีศีล ถ้าเรามีศีลแล้วเขาจะมีความมั่นใจมีความสบายใจมีความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยเวลาที่เขาได้อยู่กับเรานี่คือคุณธรรมข้อที่สองหรือเครื่องสมอางชิ้นที่สองที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราเพื่อมาเสริมความงามให้แก่ชีวิตของพวกเราเครื่องสมอาข้อที่สาก็คือความอดกลั้น อดกลั้นก็คือความไม่ระบายอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีออกมาทางกายและทางวาจาเช่นเวลาโกรธก็อย่าระบายด้วยวาจาที่หยาบคายวาจาที่ไม่สุภาพวาจาที่ฟังแล้วทําให้เกิดความเสเทือนใจให้แก่ผู้อื่นไม่ระบายออกมาด้วยการกระทำ ทําสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่นนะเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธนี้ให้ใช้สติควบคุมใจการที่เราจะใช้สติควบคุมใจได้เราต้องสร้างสติกันขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติก็เป็นเหมือนรถไม่มีเบรก คำว่าเบรกแตกเราคงจะเคยได้ยินเวลารถเบรกแตกนี่เป็นยังไงก็วิ่งไปชนรถคันนั้นคันนี้เหลือพลิกคว่ำตกถนนพลิกคว่ำแหกโคงเพราะเบรกแตกคนเราเวลาเบรกแตกเป็นยังไงก็ไปด่าคนนั้นไปว่าคนนี้ไปทุบไปตีคนนั้นไปทําลายเข้าวของต่างๆอันนี้ทําไปแล้วความเสียหาย เกิดขึ้นทั้งกับผู้และกับตัวเราเพราะเวลาทำไปแล้วคนที่เขาได้รับความเสียหายเขาก็ต้องมาเอาเรื่องกับเราเขาก็ต้องมาแก้แค้นหรือไม่ฉะนั้นก็ไปแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจาับตัวเราไปลงโทษแต่ถ้าเรามีมีสติพอที่จะยับยั้งอารมณ์ที่ไม่ดีออกมาได้ เราก็จะไม่ไปพูดไปทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและเสียหายกับตัวเราเราก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปถูกเข้ามาแรงแค้นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะฝึกกันคือฝึกสติเพราะสตินี่เป็นเบรกที่จะเบรกความ ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เช่นอารมณ์โกโรธเป็นต้นเวลาโกโรดนี้ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปหลบไปอยู่ที่ไหนคนเดียวเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ไปนั่งพุโทโธพุธโทโธไประบายอารมณ์ที่ไม่ดีห้องน้ำนี่สามารถเป็นที่ระบายได้ทั้งสิ่งที่ไม่ดีของร่างกาย และสิ่งที่ไม่ดีของใจเวลาโกรธใครมีความเครียดแค้นให้หลบอย่าไปอยู่ใกล้กับคนที่เขาสร้างความเครียดแค้นให้กับเราเพราะยิ่งมองเห็นเขาแล้วความเครียดแค้นจะมีเพิ่มมากขึ้นไปต้องหลบขอตัวขอเข้าห้องน้ำเหมือนปวดท้องปวดฉี่ต้องรีบเข้าห้องน้ำเวลาที่จะระบายความโกรธมันก็เหมือนกับการปวดปัสสาวะดีๆนี่อง อย่าปล่อยให้มันระบายออกมาในที่สาธารณะมันเหม็นยิ่งกว่าการระบายถ่ายปัสสาวะในที่สาธารณะซะอีกเพราะมันสร้างควา ม, สาวามเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมากกว่าการปัสสาวะในที่สาธารณะถ้าเรามีความโกรธแล้วควรจะหลกไปหามุมสงบที่ไหนไปเข้าห้องน้ำของใจแล้วก็ไประบาย ด้วยการใช้สติควบคุมมันบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าใจเราอยู่กับพุทโธไปสักระยะหนึ่งก็จะลืมถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธลืมถึงบุคคลที่ทำให้เราโกรธพอเราลืมแล้วอารมณ์โกรธนั้นก็จะถูกระ ง, งับไปนี่คือวิธีที่เราจะระ ง, งับอารมณ์ต่างๆให้มัน ดับไปหรือว่าถ้าเราเป็นคนที่มีสติแล้วเราไม่ต้องหลบไปก็ได้ถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาเวลาที่เราเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรทำให้ไม่ถูกออกถูกใจเช่นโดนเข้าด่าโดนเข้าตำหนิโดนเขาน้เขาข่ารหานินทาต่างๆนาน า, นาถ้าเรามีปัญญาก็ให้พิจารณาว่าเป็นเสียงนกเสียงกาไป อย่าไปถือสาเวลาลมพัดใบไม้เราได้ยินเสียงเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาเราได้ยินเสียงคนพูดตำหนิติเตียนเราก็ให้คิดว่าเป็นเหมือนเสียงลมพัดเสียงใบไม้เสียงนกเสียงกาไปเป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้เวลานกมันจะร้องเวลาลมจะพัดเราเราหยุดมันไม่ได้ แต่เราหยุดใจเราได้ด้วยการไม่ไปรังเกียจยอมฟังไปใครเขาจะด่าใครเขาจะพูดอะไรก็นั่งฟังไปถ้าเราฟังแต่ว่ามันเป็นเสียงเท่านั้นเองเสียงมันเข้ามาในหูมันจะมาทำร้ายเราได้อย่างไรเราได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาทำไมเราไม่เดือดร้อนพอเรามาได้ยินเสียงขรหานินทา ว่ากล่าวติเตียนเราทำไมถึงต้องเดือดร้อนด้วยมันก็เป็นเสียงเหมือนกันทำไมเวลาเข้าชมเราเราทำไมถึงต้องดีใจมันก็เป็นเสียงเหมือนกันมันไม่มีอะไรเราไปหลงกับความหมายของเสียงต่างๆเหล่า น, นั้นท่านเองแล้วสิ่งที่เขาพูดก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นไปตามที่เขาพูดแต่อย่างใดถ้าเราดีแล้วเขาว่าเราไม่ดีเราก็ยังดีอยู่เหมือนเดิม ถ้าเราไม่ดีเขาว่าเราดีเราก็ไม่ดีอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกอะไรกับการพูดหรือ ก, การกระทำอะไรของผู้อื่นการกระทำของผู้อื่นเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นคนดีหรือก็เป็นคนชั่วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ เขาจะดื่มสุราหรือไม่ดื่มสุราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะไปประพฤติผิดประเวณีหรือไม่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทำอะไรเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ห้ามใจของเราไม่ให้ไปยุ่งกับเขาได้ไปยุ่งกับเขาทำไมยุ่งแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรเกิดความทุกข์ใจไ ป, ปเปล่าๆทำไม นี่คือการใช้ปัญญาถ้าเรามีสติแล้วถึงจะใช้ปัญญาได้ถ้าไม่มีสติมันจะไม่ยอมคิดทางปัญญามันจะคิดไปทางอารมณ์ใครพูดไม่ดีก็ไม่ชอบเขาทันทีใครเขาพูดดีถึงแม้ไม่เป็นความจริงก็ชอบเขาทันทีอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ที่เราจะต้องแก้ไขด้วยการใช้สติควบคุมอารมณ์ไว้ก่อนหยุดอารมณ์ ให้ใจสงบให้ใจเย็นแล้วก็ใช้ปัญญาไขาควรพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลและเราจะไม่มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาภายในใจที่เราจะต้องคอยระงับคอยระบายแต่ถ้าเรายังมีอารมณ์อยู่ก็ให้อย่างน้อยรู้จักวิธีระงับอารมณ์ให้มีความอดกลั้น วิธีที่จะมีความอดกั้นได้ต้องมีสติเช่นคำบาิกรรมพุทโธพุทโธหรือจะใช้คำสวดมนต์ไปก็ได้สวดอาหังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปันโนไปสวดไปเรื่อยๆเหนียวใจก็จะสงบอารมณ์วุ่นวายต่างๆก็จะหายไปหรือถ้าเราไปอยู่ที่เจอกับสิ่งที่น่ากลัวเราก็ใช้การสวดมนต์ไปก็ได้ ส่วนมันไปสักพักความกลัวก็จะหายไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรให้ที่เสียหายตามมาต่อไปนี่คือการสาเสริมความงามด้วยเครื่องสำอางชิ้นที่สาก็คือความอดกลั้นเครื่องสำอางชิ้นที่สี่ที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเราเพื่อเสริมความงามให้แก่พวกเราก็คือความอดทนความอดทนก็คือ กับความทุกข์ยากลําบากต่างๆชีวิตของคนเหล่านี้มันขึ้นขึ้นลงลงการเดินทางเหมือนมีขึ้นภูเขามีลงเขาเวลาขึ้นเขามันก็ลําบากมันยากแต่เวลาลงเขามันก็เดินสบายง่ายชีวิตของเราบางเวลาก็ทุกอย่างเป็นไปดีไปหมดบางเวลาก็ไม่ดีมีปัญหาต่างๆนานา มีความอดอยากขาดแคลนถ้าไม่มีความอดทนนี้เราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตของเราไปให้ได้อย่างสวยงามเราอาจจะต้องกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปเวลาที่เราอดอยากขาดแคลนขึ้นมาตอนที่เรามีเราก็เสียสละได้แต่พอเราเกิดความอดอยากขาดแคลนเราก็จะไม่ยอมเสียสละ ถ้าเรามีขันติเรายอมอดยอมทนเรารักษาความดีไว้ดีกว่ารักษาสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรารุทสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือคุณงานความดีเช่นขันติความอดทนถ้าเรามีความอดทนแล้วเราจะ เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเราจะได้สิ่งที่วิเศษกว่าสิ่งที่เราเสียสละไปเช่นทรัพย์สมบัติหรืออวัยวะหรือชีวิตของพวกเรานี้จะเสียสละหรือไม่เสียสละในบ้านปลายก็ต้องเสียอยู่ดีเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีแต่อย่าเสียไปโดยที่ได้คุณธรรมที่ไม่ดีกลับมาคือได้ความเห็นแก่ตัว ได้ความชุจริตกลับมาขอให้เราเสียไปแล้วให้ได้คุณธรรมที่ดีกลับมาก็คือได้สัจจะได้ความซื่อสัตย์สุจริตได้จาคะความเสียสละได้ธรรมะความอดกลั่นได้ขันติความอดทนนี่คือคุณธรรมสี่ประการหรือเครื่องสำอางสี่ชิ้นด้วยกันที่เราควรที่จะใช้เสริมความงานให้แก่ชีวิตของพวกเรา อยู่เรื่อยๆทุกวันก่อนจะออกจากบ้านถามว่าวันนี้เอาเอาจาอ่าฆะไปด้วยหรือเปล่าเอาความเสียสละไปด้วยหรือเปล่าเอาสัจจะความซื่อสัต์สุจริตไปด้วยหรือเปล่าเอาธรรมะความอดกลั้นติดตัวไปด้วยหรือเปล่าเอาขันติความอดทนติดตัวไปด้วยหรือเปล่านี่คือเครื่องสครื่องางที่จะทําให้เราไปที่ไหนไปอยู่กับใคร จะมีแต่คนรักคนชอบความยินดีที่จะคบค้าสมาคมกับเรานี่คือความสวยงามที่แท้จริงอย่าไปเสริมความงามกับของที่ไม่ใช่เป็นความงามคือความงามทางร่างกายสวยทางร่างกายแต่ถ้าใจไม่สวยคนเห็นหน้าก็อยากจะวิ่งหนีแล้วถ้ารู้ว่าคนนี้เป็นคนขี้โกงเป็นคน เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่มีความอดทนอดกลั้นก็จะไม่มีใครอยากจะอยู่ได้ด้วยเพราะเดี๋ยวจะต้องระบายอะไรออกมาแน่ๆเดี๋ยวต้องพูดจาหยาบคายต้องด่าคนนั้นว่าคนนี้ทุบข้าวทุบของนี่คือเรื่องของความสวยงามที่พุทธเจ้าสรงสอนให้พวกเรามาเสริมกันเสริมความงาม ที่แท้จริงด้วยเครื่องสำอางสี่ประการคือจะค้าความเสียสละสัจจะความซื่อสัตย์สุจริตธรรมะความอดกลั้นและขันติความอดทนถ้าเรามีเครื่องสำอางทั้งสี่ชิ้นนี้แล้วเราจะเป็นคนสวยงามไม่ว่าร่างกายเราจะแก่ลงไปหนังเหี่ยวหนังย่นผมเผ้างอลืน้นศีสะโล้น ก็ยังจะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีอยู่เสมอจึงขอฝากเรื่องของการแสงความงามด้วยคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความสวยงามของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้